ในภาษาศาสนาของพระชิน เ, เจ้าเนี่ยเป็นเรื่องของการจเจริญปัญญาอํานั่งข้างบนเขายีกันก็ได้ปะจะได้ไม่เมื่อยดีไหมเออจนั่งข้างบนบางคนก็ชอบนั่งข้างล่างนะ ม, มันอุ่นดี <c oughs> เวลาเราอยู่เมื่อเจริญกุศลเนี่ยบางคนเขาเนี่ยเขาจะคิดข้นขวายบุญค่อนข้างดีงเก่งมากทุกเรื่องที่เขาคิดเนี่ยเขาจะคิดเรื่องกุศลแต่บางคนเนี่ยศึกษาพระธรรมไปยังไงแต่การค้นขวายบุญไม่ค่อยแข็งแรงบางคนนี่ก็จะคิดตลอดเลยเนะในสวดมนต์เสร็จเนี่ยเขาจะต้องหาน้ํา ไหว้พระยังไงให้เพื่อนปฏิพฤติปฏิบัติเก็คิดเข้าไปเรื่อยจะเดินทางจะทํากิจกรรมทั้งหลายแล้วนี้ก็จะไปคิดเพราะเขาเข้าใจด้านของทานกุศลสินกุศลดีแต่บางคนไม่ได้นี่คิดไม่ค่อยเป็นเพราะไม่เคยฝึกคิดเอาตอนเองเป็นตัวตั้งเนี่ยตรงเนี้ยสําคัญมากเลยเนี่ยไอ้คาว่าควรควายบุญเนี่ยสําคัญที่สุดเลย บางคนนี่เก่งมากบางคนถูกฝึกให้บริการเนี่ยก็ได้แค่บริการแต่ใจเจตนาที่จะเป็นกุศลไม่ได้เก่งในด้านงานบริการพวกที่เป็นบอยวิ่งอยู่ในโรงแรมเอ้ยพวกที่เป็นพนักงานเสิร์ฟเนี่ยโอ้เก่งวิ่งขึ้นวิ่งลงวิ่งขึ้นวิ่ ง, ง, ง, งลงเลยกลายไปแค่อตยาศัยเปนเด็กล้างรถแต่เจตนาที่เป็นกุศลไม่ได้แต่อย่างพวกเราเนี่ยก็ทําอย่างพวกนั้นก็ไม่ได้ ไม่ได้ทั้งสองส่วนหนึ่งเจตนาที่เป็นกุศลก็ไม่ได้รูปแบบก็ไม่ได้ใช่ไหมนั่นต้องฝึกขนขวายเลยขนขวายบุญคนนี้เวี ย, ยว่จจะหมบุญเกิดขึ้นในการขนขวายในกิจที่ควรทำเนี่ยคนลักษณะอย่างเงี้ยถ้าเดินกุศลแบบนี้ต่อไปเนี่ยจะทำอะไรเนี่ยมันจะคล่องหมดกุศลมันให้ผลบางคนไม่ได้เลยนะในกุศลประเภทนี้ คิดไม่ออกคิดไม่เป็นเอาตอนเองแค่นั้ น, นึองบางทีตนเองยังบกพ่องเลยเลยอยู่ว่าแต่คนอื่นและมันเป็นอย่างเงี้ยพฤติกรรมก็เป็นลักษณะแบบนี้นี่คือมนุษย์ที่ยังไม่ได้ถูกฝึกนั้นมนุษย์ยังมีข้อที่จะต้องฝึกเยอะมากในชีวิตจริงๆเวลามานั่งมาเจริญกุศลเนี่ยบางทีเนี่ย ให้สังเกตตัวนะเมื่อเกิดความรู้ความเข้าใจในการเจริญกุศลแล้วนะี่จะอยู่ในหยียบบทยืนก็ได้กุศลนั่งก็ได้กุศลเดินก็ได้กุศลนอนก็ได้กุศลก้าวไปถอยกลับแปลตรงแปลเหลียวคู่เข้าเหยียดออกในส่วนที่คู่ได้เหยียดได้กินดื่มเคี้ยวลิ้มทายุจระปัสสาวะ ในการยืนเดินนั่งนอนตื่นหลับพูดนิ่งก็ได้หมดแปลว่าเสดสัพพัญญามีกําลังพลางใช่ไหมหลายๆคนเนี่ยไปได้กุศลต้องช่องเฉพาะต้องสวดมนต์เท่านั้นเลยเออสวดดีก็ไม่เคยได้เท่าไหร่แล้วก็ไปนั่งอหน่อยแต่พอหลังจากนั้นเสร็จนึกว่ากิจกรรมในการเดินกุศลหมดไม่ไม่เดินกุศลไม่ต่อไปเห็นไมรึเปล่าไม่ได้แล้ว ถึงเวลาพักตรงนะั้นสวดเสร็จสักทีพักโอ้ยโลง่ง <c oughs> เลยไม่ได้กุศลต่อเลยอะนี่เสียหายเลยเนะี่ยเดินไ่นเดินไปกลับที่พักก็ไม่ได้กุศลเพราะคิดว่าตอนนั้นไม่ได้ปฏิบัติธรรมไปอาบน้ำก็ไม่ได้กุศลเข้าห้องน้ำก็ไม่ได้กุศลแปรงฟันก็ไม่ได้กุศลซักผ้าก็ไม่ได้กุศลนอนก็ไม่ได้กุศลตื่นขึ้นมาก็ไม่ได้กุศล โอ้ล้างมือล้างอะไรไม่ได้กูสวนเลยตอนนี้เห็นไหมเพราะเป็นเวลาพักมึง <c oughs> เออเป็นอย่างเงี้ยจริงไม่จริงแล้วก็ไปเขียนตารางเวลาไว้สวดมนมต์ทำวัดเช้าเจ็ดโมงก่ <c oughs> อนทำอะไรขึ้นมางั้นพอนนทาวัดเจ็ดโมงถึงแปดโม ง, งตอนแปดโมงพักกินอาหารล <c oughs> ไม่ได้กุศลแล้วนะตอนกินอาหารไม่ได้แล้วไม่ไม่เรียกปฏิบัติธรรมแล้วกินอาหารเสร็จปุ๊บ เ, เดินในช่วงพักผ่อนเกียบทเดินให้อาหารมันย่อยกว่านั่นเลช่วงนี้ทําอะไรช่วงนี้พักพักอะไรพักการเจริญกุศลไว้ก่อนเอาแอะไรเกิดต่อกิเลสเกิดดูนักรบนี่นักลบของพุทธเจ้าเป็นแบบนี้ ไปสู้กีเลสเป็นพักๆแล้วตอนนั้นก็เหมือนจะบอกว่าเอ้ยกีเลสตอนนี้ให้ยันพักนะ้ น, น, นแต่ในพระศาสนาก็พักยังไงรู้ไหมพักลบการพักลบ ก, ก็าทำยังไงรู้ไหมพักลบ ก, กับกิเลสเขาให้ไปอยู่ในสมาธิตอนพักลบ เ, เหมือนเรานั่งสมาธิเขาเลยให้พักผ่อนให้จิตเป็นสมาธิตอนนั้นตอนนั้นตอนนั้นกีเลสก็ไม่ยุ่งกับเราเราก็ไม่ไปจัดการกีเลสเหมือนกัน ขอพักก่อนให้เหนื่อยจัดแล้วก็เลยใช้สมาธิเป็นทําบินเครื่องอยู่พักผ่อนเนี่ยนี่ก็เลยพักผ่อนสมาธิคือพักไม่ใช่สันเหลกะการทำไม่ใช่ทำขัดเกลาเข้ามาพักยังไม่มีการต่อสู้กัน <c oughs> เป็นอย่างนี้คำสอนเป็นแบบนี้ตอนนั้นเน่แปลว่าเราพักกิเลสก็เข้ามาหาเราไม่ได้ เราก็ไม่ไปจัดการไม่ไปรบกวนกิเลสไม่ไปฟาดฟันไม่ไปเจริญอะไรต่างทั้งนั้นแปลว่าพักกันก่อนพักรอบยกธงกันก่อนให้วโว้ดิ้เหนื่อยเมื่อกี้จัดการกันยังเอากันไม่ลงเลยเพราะงั้นเด็กก็เลยต้องพักเขาใจะยัยยงก็คือพักอยู่ในสมาธิระดับใดระดับหนึ่งพักพอหลังจากเหมือนกับเอาและมีแรงแล้ว เอาสมาธิเป็นฐานเดินปัญญาเดินสติเดินปัญญาเดินความเพียรแกล้วกล้าต่อเดินศรัทธากําจัดความไม่มีศรัทธาทิ้งไปเดินความเพียรกําจัดโกสัจฉาความเกียดข้าดากุศลทิ้งไปเดินสติกําจัดการหลงลืมสติที่เป็นอกุศลทิ้งไปเดินสมาธิกําจัดความฟุ้งซ่านไปเดินปัญญากําจัดความไม่รู้เล่นไปเล่นมาเล่นไปเล่นมายังเอากันไม่ลงพักต่ออยู่ในสมาธิเขาเป็นอย่างนั้นนะ ในพศาสนาก็เล่นกันอย่างนี้พวกเรานี่ไม่เข้าใจเลยเนี่ยใช่ไหมเล่าไปนั่งสมาธิาก็จะสอนอยั ง, งไงน่าหนักใจนี่พวกเราเรารับข้อมูลมาอีกอย่างางั้นใช่ไหมแล้วฉันเป็นคนส่วนน้อยอ่ะในโลกใบนี้นิดฉันเป็นคนส่วนนิดนิดจะสุดไม่มาบอกไอ้คนก็ไม่เชื่อ มันเป็นอย่างนี้อยู่ไในไหนเลื่อนไปอยู่ในทเวทาวิตตกสูตรหรือไปอยู่ในวิตตกศาศสันฐานาสูตรไปดูนในมัชฌิมานิกายมูลบันนาตุขเจ้าบอกว่าอย่างนี้พระอาจารย์โซกิกเกลียดี่เราเริ่นสอนสมาธิกันเป็นรำเป็นสันเอาจริงเอกทั <laughs> ้ จกเล่นได้เดียวเราก็อกจะพึ่งไปนิ่ห่วงอยากจะไปนั่เสือนี่ชอบเข้าป่าไหมนกหนูอะไรนี่ชอบอยู่ในป่านะพวกเราเห็นถ้าจะอยู่ป่าต้องมีคุณสมบัติ แล้วเราก็ศรัทธาด้วยนยถ้าใครอยู่ป่าเนี่ยอสุดยอดเลยศรัทธามากเลยพระรูปไหนอยู่ป่าจริงไหมจริงที่อยู่บ้านนี่ไม่ศรัทธาเลยไม่เห็นว่าปฏิบัติแต่ว่าปฏิบัติต้องอยู่ป่าใช่ไหมจริงไหมจริงแล้วจะมีคำว่าสํานักปฏิบัติก็มีสายไหนแล้วจะมีสายเข้าไปนี่อันนี้ไม่ได้ไปจอมตีกันพูดให้ฟังเป็นๆอย่างนั้น ถ้ามีสายด้วยรับรองเจอหน้าฉันจะโดนถามเลยท่านสายไหนเนี่ยจะตอบไงสายพทธเจ้าลูกไกรเหลือเกินก็ไม่เข้าใจของสายพระเจ้านะคะว่าเราตอบเล่นพระไม่มีสายเมีองสายไหนคนสายไหน เราสายวเทพิสิรินสายพระเจ้าป่ะเออสายพระเจ้ า, าต้องงั้นเลยไปชวนแต่คนก็ไม่เข้าใจนี่คนก็เลยไปเข้าใจว่าสมาธิไม่ใช่สันเหลียไม่ใช่ทําขัดเกลาแต่สมาธิเป็นธรรมที่เป็นสุ ข, ขาวิหารธรรมเป็นธรรมที่จะเข้ามาพัก พักทำไมสู้กับกิเลสแล้วเหนื่อยก็ <g ười> เลยต้องพักก็สมาธิ <g ười> แต่พักแล้วเกิดไม่ยอมออกไปสู้ลบกกิเลสเนี่ <g ười> <g ười> นี่ติด้า <g ười> ขี้เกียจค้านนู่ทุกต้มนีิแล้วจะตายจมอยู่ในสังาาสารวัฏออกจากทุกข์ไม่ได้ต้องไปใช้นี่ในฐานะที่ไม่ขยันในการออกมาสู้กับกิเลส ฉันจึงบอกว่าสมาธิก็คือการพักพักบ่อยไหมได้มากเราพักกับอะไรไหมโดยมากนอนเนี่ยเราเรียกว่ามันสุขกว่าการนั่งสมาธิใช่ไหมเพราะเราไม่เคยได้สมาธิเลยตอนนี้แต่นั่งเราก็ยังอยากลงพวังเลยยังแค่เมื่อเกียดนั่งสับปรงกปึ๊บต๊กต๊อยู่นั่นเล่แล้วก็กลัวคอหัก ตอนนั้นไม่ไหวแล้วเหมือนหัวหนักก็เกินเนี่ยนั่นเปิ๊กเปิ๊กเกอยู่นั่นผวังก็เป็นการพักเหมือนกันเป็นการลงผวังระหว่างลงผวังกับการอยู่ในสมาธินี่ต่างกันต่างกันคือผวังก็เป็นการพักผ่อนเหมือนกันแต่บางคนใช้ผวังเปลือง ไม่เป็นประวังก็คือการลงสู่ตกจากวิถีจิตมาสู่เป็นประวังกับจิตก็คือรักษาปรับดุลยภาพของร่างกายคนที่นอนเนี่ยทำให้ร่างกายได้ดุลได้พักคนที่นอนดีๆสงบเน่ยรู้สึกตื่นขึ้นมาสดชื่นสบายนั่นแหละนั่นแหละก็อบอกกับพัก คนที่ออกคนที่พอขึ้นขึ้นจากผวังแล้วมาสู่วิถีจิตก็ได้แต่บาปคือคิดบุญไม่เป็นเลยไม่ฉลาดอะไรเลยได้แต่บาปได้เลยโลภะโทสะโมหะเนี่ยไปลงผวังเนี่ยังชั่ว น, น้อยกว่าใช่ไหมคือไปลงผวังมันยังไม่ได้ไปทําบาปอะไรนี่แต่พุทธเจ้าไม่ได้สรรเสริญการสรรเสริญการลงผวังนะเพราะผวังเป็นทุกข์สัตว์ แต่ไปจอมอยู่กับผวังก็จอมอยู่กับวัฏทุกอยู่ดีแต่ไม่จะทํำยังไงโผล่ออกจากผวังไม่ได้บาปเกิดทุกทีฉะนั้นเวลาออกจากผวังก็ต้องมาเรียนรู้มาฝึกว่าจะอยู่กับวิถีจิตยังไงที่ไม่บาปให้เป็นกุศลวิถีเนี่ยตอนเนีมนนนมน้มันยากตรงนี้นะมนุษย์เนี่ยว่าอจะศึกษามันยากตรงนี้ลืมตาตื่นขึ้นมาให้ไม่ได้กุศลเนะี่ยฟังเสียงให้ได้กุศลดมกลิ่นให้มันได้กุศล ลิมรสให้ได้กุศลสัมผัสถูกต้องไม่ได้กุศ ล, ศลคิดนึกอดีตอนาคตปัจจุบันให้ได้กุศลถ้าเดินกุศลได้หกทางทางนี่โอโ้สุดยอดเป็นสุดยอดมันุู้นกายกรรมที่ออกมาก็เป็นกุศลวิจีกรรมก็เป็นกุศลมโนกรรมก็เป็นกุศลกิจกรรมการงานทั้งหลายเป็นกุศลได้ตลอดเลยโอ้โหได้อย่างเงี้สุดยอดได้นี่ยคนคนนี้หายากอย่างยิ่งช่ <c oughs> มันไม่ค่อยได้ไม่เข้าใจเดินไปก็เนี่ยวิ่งเดินเดินเดินไปชีวิตเนี่ปล่อยให้เดินปล่อยให้พูดปล่อยให้ทําก็ทํากรรมตลอดเลยโดยมากบาปยังไม่รู้ว่นแยกได้ที่ไหนนะรู้ชัดไหมกุศลเป็นยังไงรู้ชัดไหมอกุศลรู้ชัดรากเงาของอกุศลไหมรากเงาของกุศลไม่รู้เลยไม่แยกบุญแยกบาปไม่ได้ทําไงสัมมาทิฏฐิก็ไม่เกิดนี่สัมมาทิฏฐิขั้นพื้นฐานสุดๆเลยนะขั้นแยกบุญแยกบาป แยกอะไรเป็นกุศลนะกุศลไม่รู้เรื่องเลยน่าเป็นห่วงไหมเป็นห่วงใครเป็นห่วงตัวเองอีกนะเนี่ยเป็นอย่างเงี้ยโอ้จะรู้คำสอนขึ้นมาแล้วจะนั่งนี่จะทํำยังไงแล้วเราจะอยู่สิ่งแวดล้อมแบบไหนเราจะไปสร้างสิ่งแวดล้อมอยังไงเนี่ยโอ้คิดเยอะยังไงละมันจะจับมันมีเครื่องก็ดีสิ จับใส่เครื่องปุ๊บปุ๊ บ, บออกมาเดินกุศลได้หมดเลยจับใส่เครื่องเครื่องละล้านก็ต้องซื้อนี่นเครื่องแบบนี้มันไม่มีเครื่องฉลาดเนี่ยใส่เข้าไปปุ๊บลมฉลาดขึ้นมาพูดกลายเป็นอีกคนหนึ่งเลยเดินมาป๋อเลยเดี๋ยนี้ไม่ใช่เมงคนเดิมแล้วให้เป็นหูฉลาดใ้กุศลเด้นกุศลชัดเลยเนี่ยถ้าเข้าเครื่องนี้มาก็ดีใช่ไหมมันไม่มีในเครื่องแบบนี้ไม่รู้จะให้ยังไงหาหน่อย ทําเครื่องใส่ข้อมูลเข้ามาใส่เครื่องไปปุ๊บๆๆออกมาหนึ่งกลายเป็นอีกคนหนึ่งเลยเดินกุศลปออะไรดิมีไหมต้องบอกกันอย่างเงี้ยบอกแล้วบอกแล้วบอกบอกได้ดูโอ๊ยดูหน้าตาเออได้เลยเพอไปสักสองสามวันมันนั่งเครียด น, นั่งกบมาอีกแล้ววิจีกิชา้ากินอีกแล้วได้ทำอะไย ดูเหมือนไม่ยากนะใช่ไหม <c oughs> ยากไม่เจอกุยสุดยองตอนนี้ไม่ยากเลย พระพุทธเจ้าเนี่ยทำไมพระองค์จึงต้องสร้างทั้งจรน้านีหลุนแรงมากข็งแรงมากร่างกายก็แข็งแรงสุขภาพก็ดีคุณภาพของกระแสของผมขอเล็บฟันเนี่ยมีคุณภาพมาจากกุศลกรรมที่ประณีตเป็นอธิกุณลนุศลที่ยิ่งยวดมาเพราะอะไรรูแล้วก็ปัญญาก็วิชาก็สูงสุดเนี่ยทำไมต้องสร้างขนาดนะั้น ถ้าพลังอ่อนแ อ, อยางจะสอนให้คนฉลาด ไ, ได้ไหมแต่คนอู๋ฉะนั้นพวทเจ้าจึงต้องสอนแล้วสอนอีกแนะน้อต้องแข็งแรงมืวันหนึ่งพักสองชั่วโมงสามชั่วโมงนอกนั้นทำงานบำเพ็ญพุทธกิจตลอดขนาดนั้นถ้าอย่างนี้ตายไม่ได้เรื่องเลยแล้วพดพูดๆไปเจอความเย็นกันหน่อยโอ้จะไม่ใ ไ, ไม่เป็นแล้วเจ้าจะแข็งแรงมั่ ดังนั้นรู ป, ปรกายของพู้องค์ในจึงแข็งแรงมรากเข้าใจใช่ไหมไม่ใช่อ่อนแอไม่อ่อนแออไเนเลยไม่น ไ, ไม่ตนอีกูดให้ฟังไม่จะรู้ว่าเป็นอย่างนั้นจริงๆไม่ใช่อ่อนแอทำกิจในการเจริญกุศล พระเจ้าบรรยายทั้งคื น, นติดต่อกันเนี่ยป๊ปป๊อปป๊อปป๊อปเราไม่เข้าใจอีกรอบหนึง่งไม่เข้าใจอีกรอบหนึง่งไม่เข้าใจอีกรอบหนึง่งพยัญชนะงั้นไม่เข้าใจเปลี่ยนพยัญชนะให้เปลี่ยนพยัญชนะให้เปลี่ยนเปลี่ยนจนเข้าใจอ่ะถ้าไม่เข้าใจป๊อปเลือกอดีตเลยว่าคล่องเรื่องอะไรชํานานเคยเป็นอะไรมาเคยฝึกอะไรมายกข้อนั้นอุปมาจนยอมมีเข้าใจขนาดนั้น นี่คือพระพุทธเจ้าเป็นแบบนี้เะนนเวลายกอุปมาอุปมาเหมือนพ ร, ร, ร ะ, ระรรพุทธเจ้ากําลังคุยกับเราเท่านั้นทุกคนมีความคิดอย่างนี้หมดทุกคนฟังเนเข้าไปในเรื่องของตนเองโดยเฉพาะมีเป็นอย่างนี้นะมาทําของพระพุทธเจ้าเป็นอย่างนี้ดึงออกจนได้ดึงพวกเราเนี่ยออกจากความหลงความไม่รู้เรื่องจ น, อน ไ, ไรน้รอดมาได้ยังไงเดี๋วเนี่ยเขาใหญ่ยังว่ารอดมาได้ยังไง ไม่น่ารอดนะแสดงให้เห็นชัดว่าความประพฤติน่าจะน่าเกลียดระสมควรเลยอไบปบอกพระเจ้าละเลยใช่ไหมนั้นทุกเรื่องเนี่ยดึงเราให้ออกจากบาปได้พระเจ้าชุดออกมาดึงออกมาให้เข้ามาเจริญกุศนลนะครับ ให้เหตุปัจจัยแล้วก็เพราะบ่มเมตพันหนึ่งปัญญาสั่งวันนี้ยังไม่มีวันมีศรัทธาอยู่ไกลที่ไหนไปแล้วดําเนินไปแล้วเสด็จ ด, ดําเนินไปขนาดนั้นพระมหากรุณานทุกคนอย่างนังนหนาวๆคงไม่ไปหรอกจะไม่ไปหรอลวงพ่จานีขนาดไหนก็ไปถ้าจะบร 4, รลุตอนทีสี่ 3, ต้องไปไปเทศ่ยตอนทีสี่จะบรรลุตอนที่หนึ่งก็อยู่ไปเทศ่ยให้บางตอนที่หนึ่ง ตุตูตรงไหนสบายยังแ ต, ต, ต่ยังจะนาทีหนึ่งดีๆแล้วกไม่ไหวก็น อ, อนก่อนอย่าพึ่งเปนลุกเข้าใจยังว่าโอโ้ต้องมหากรุณาขนาดนั้นเนี่ยอย่างเรานี่เวลาจะไปแนะนำอะไรใครเนี่ยตัวเองต้องพร้อมใช่ไหอันนี้เอาคนที่จะฟังทำพร้อมพร้อมเวลาไหนพระพุทธเจ้าจะไปหาเราเลก็ให้เราพร้อม แล้วสังเกต ด, ดูดีหลายๆคนเนี่ยพอฟังปุ๊บบรรูแล้วตายเดี๋ยวนั้นเน่ยเยอะมากเส้นยาแดงผ่าแปดตาเยอะมากกรณีแบบนี้แล้วพอหลังจากบรรลุเสร็จแล้วจบกิจวุฒิเจ้าไปแล้วไม่อะไรวอนแล้วเรื่องคุณคุณพ้นแล้วไม่ต้องมาตามผังก็ผองงพุทธิยักษ์แปลว่าพระ อ, องค์ช่วยแล้ว คนจากจีเจรตกรองทุกข์ไม่ต้องมาตามอออาหารมาถวายไม่ต้องตามไปสร้างที่อยู่ไม่ต้องสิ่งเหล่านี้พระเจ้าบำเพ็ญ ม, มาแล้วนี่กุศลตอนนี้รักษาพระเจ้าได้หมดไม่ต้องไปห่วงนี่พระเจ้าจะเป็นยังไงจะนอนหลับไหมสุขภาพจะเป็นยังไงไม่ต้องกังวลพระเจ้าจเจริญกุศลขนาดนั้น เ, เพื่อพวกเราจริงๆใช่ไหมมีไหมคนแบบนี้ไม่มีแล้วในจักรวาลนี่ไม่มีแล้ว ยังเราจะไปทําอะไรมันยังมีข้อแม้เห็นความดีจนบอ้องไหวใช่ดิมแม่ทําำบูชาทําให้ขนาดนี้ลูกเห็นไหมลูกเห็นไหมจริงไหมทำแล้วหวังผลหวังผลที่เขาดอบแทนตัวใจไป ม, มีเลยเป็นผู้ให้เท่านั้นเป็นผู้ให้คนที่มีน้ําใจอย่างเนี้ฉันนึกก้าวว่าถ้าวไง ไม่จเราก็จะ เ, เสร็จแล้วนี่กรณีแบบนี้เราหาไม่ได้หรอกฉันถ้าฉันคิดว่าถ้าฉันจะเป็นทาสฉันจะเป็นทาสกับคนพูดนี้ท่านพวนี้ เดี๋ยวถ้าจะเป็นทาตเนี่ยก็ขอเป็นทาตกับคนแบบนี้ท่านปนี้ท่านที่เกื้อกูลอย่างนี้ แค่ถ้าเราอยากประกาศเป็นทาสใครสักคนเนี่ยต้องคนแบบนี้คนดีจริงเป็นผู้ที่มีพระมหากรุณาธิคุณพระปัญญาคุณบริสุทธิ์ที่คุณจริงๆ ย, ยถ้าคนอื่นเนี่ยจะมีเงื่อนไขหมดเวลามาปฏิบัติอะไรกับเราเนี่ยจะมีเงื่อนไขแต่พระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นแบบนีน้อะไรที่จะทำให้เราได้บรรลุ ดูทำให้ทุกอย่างที่ฝึกตนเองมาทั้งหมดเนี่ยเพื่อต้องการอยากจะดึงเราออกจากบาปอะไรที่เป็นข้อสงสัยลังเลที่เป็นเหตุทาให้เราจมอยู่กับบาปอกุศลถ้าพระพุทธเจ้าพระเจ้าทาให้ทั้งหมดถ้าทาอย่างนี้แล้วเราจะออกจากบาปได้พระเจ้าทำทำไั้ดีขนาดนั้นนะเลย อยากจะดูอะไรอยากจะเห็นอะไรอยากจะให้ทําอะไรให้ดูอยากจะให้แสดงฤทธิ์ให้ดูจะแสดงให้แต่มีข้อแม้ว่าดึงออกจากบาปได้ท่านแสดงเลยดีจะแสดงให้วิจิตขนาดไหนก็ได้ด้วยเมื่อแสดงจบแล้วแสดงทำแสดงทำแสดงทำเพื่อให้ออกจากบาปได้แล้วก็ไปรู้ท ำ, ท, ำทําให้เน็ดเหนื่อยขนาดไหนก็ทำเน็ดเหนื่อยขนาดไหนก็ทําจะใช้ความเพียนขนาดไหนต้องคิดดูไปโปรดเทวดาเนี่ย เช่ไละสามเดือนเนี่ยทรมานนี่แล้วนั่งเป็นวันวันเนี่ยเทศเนี่ยสรีระของเทวดากับสริราของมนุษย์อัตภาพของเทวดาอัตภาพของมนุษย์นี่ยต้องนั่งแสดงของแล้วก็จําลองเข้าไว้พักแค่ช่วงนิดเดียวนิดเดียวแล้วก็ามาแสดงทำต่อเนี่ยแต่ก็ให้รูปจําลองแสดงไปเนยต้องคอนโทรแสดงทำด้วยแล้วตนเองก็ทํากิจตนเองด้วย ต้องดิขนาดนี้ยังต้องทํานี่ถ้าไม่ใช่กรุณาจริงๆจะทำนี่นั่นไมนุษย์เนี่ยแจ้งเราโอ้โหปวดหลังเหลือเกินใช่ไหมเมื่อยมากปวดหลังมากทําไมต้องมาแสดงขนาดเนี้ยถ้าหยุดแสดงแล้วเทวดาไม่ได้บรรลุเลยก็ยังไม่สิ้นกระบวนความเขาที่เขาสร้างเหตุปัจจัยมาที่ต้องฟังให้จบภายในสามเดือนก็ถึงจะบรรลุนี่แล้วก็ทยอยบรรลุทยอยบรรลุทยอยบรยยบรลุเนี่ยต้องคิดดูดิ อย่างเราพูดเรื่องอะไรเมติกีพูดได้เป็นจาไม่ได้แล้วใช่ไหมล่ะนั้นต้องสร้างสติสัมปชัญญะมาอย่างคมกล้าพยันชนะคําพูดทุกคําเนี่ยอยู่ตรงไหนเนี่ยต่อยังไงพูดอะไรไปบ้างอะไรต้องเก็บข้อมูลเนีทั้งหมดเมื่อเทศบอกเทวดาเสร็จแล้วเนี่ยมาทิสานโนดาตภาษาลิบุตรมานวดฟันต้องมาเทศบอกภาษาลิบุตอีกรอบหนึ่งเหนื่อยเลยละ เหนื่อยสิเนี่ยต้องไปมดินเดินมายายตรงนี้แล้วกลับไป้ต้องไปบอกคนอีกคนอืเย็นเหนื่อยธรรมดาเหนื่อยมากบอกทําไมบอกเพื่อจะให้สงเขาไว้แล้วจะได้เป็นประโยชน์เมื่อตอนเมื่อพระองค์ในป ร, รินิพานนี่เป็นอย่างนี้นะเดี๋ยวเดี๋ยวพอป ร, รินิพานไปแล้วพวกเราก็จะไม่ได้ประโยชน์เลย เหมือนเรื่องผัสสะเรื่องเวทนาเรื่องสัญญาเรื่องเจตนาเรื่องมนุิการเงี้ยเรื่องสติเงี้ยที่เทศบอกภาษาอับุฤษไว้เรื่องศรัทธาสติริยอตัตตาทั้งหลายเหล่านี้ถ้าถ้าภาษาอังกฤษไม่ทรงก็ไว้พวกเราแย่เลยเราก็ไม่รู้เลยศรัทธามีลักษณะอย่างนี้นะจิตของศรัทธาอย่างนี้นะอาการปรากฏเป็นแบบนี้นะเหตุกล้ของศรัทธาเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นเราแยกไว้ออกเลยเดี๋ยวก็เป็นึนกว่าโลภเป็นศรัทธาซะอีก เราไเยเิญความโลภกันอยู่นี่แหละใช่ไหมเนี่ยมหากรุณาที่คุณขนาดนี้นะเม่งเนี่ยพุทธเจ้ามีมหากรุณาที่คุณกับเรามากเหน็ดเหนื่อยมากจริงๆนี่เราไม่เห็นไงไม่รู้จะพูดยังไงที่แพ้ยังไงเนี่หาใครสักคนหนึ่งดูมาพูดว่าพุาทธิจ้าทํางานอะไรแต่ละวันแต่ละวันแต่ละวันว น, นั่นวางระบบคําสอนไว้อย่างไรที่จะมาปลุกพวกเราให้ตื่นจากความหลับไหลหตื่นจากความหลงความโง่เนี่ย ต้องหาคนมาบอกว่าพระพุทธเจ้ามีพระมาหากนา์ที่คุณเป็นบุคคลที่เราควรมอบกายถวายชีวิตจริงๆเลยถ้านึกอย่างนี้เรานึกโอ้โหพระคุณของพระย้อยิ่งใหญ่มากเอาอะไรไปอตอบแทนไม่ต้องพูดถึงไม่ต้องพูดขนาดนั้นเป็นคําสอนที่พูดเรื่องความจริงทําให้เราไม่หลงโลกไม่หลงชีวิตไม่มัวเมาไม่ประมาท ทำให้เราเนี่ยไม่จมอยู่กับบาปอากุศลทำให้เรามีดวงตาคือปัญญาทำให้เราแยกปุญแยกบาปได้ทำให้เราไม่ต้องลําบากเลยพระพุทธเจ้าขนาดนั้นเลยบอกแล้วบอกอีกแนะนำรู้ว่าพวกเราเนี่ยบอกตอนสมัยที่พระองค์ทรงประชวอยู่พวกเราไม่รู้เรื่องก็วางระบบคำสอนไว้ให้หวังว่าสัก อัตภาพหนึ่งสองพันห้าร้อยกว่าปีมาขึ้นสองพันห้าร้อยหกศูนย์เนี่ยหรือก่อนหน้านี้เราจะได้เข้ามาบวชในพระศาสนาจะได้มาศึกษาวางระบบไว้ให้หมดวางขั้นตอนวางหลักการไว้ให้หมดเพื่อจะให้เรามาศึกษามาประพฤติปฏิบัติและเราจะได้ออกจากกิเลสและกองทุกได้วางไว้ให้เรานี่นไงพระมหากรณ์นะที่คุณใช่ไหล่ะ ท่านเห็นหมดเนีนาเขาถึงวางระบบไปอย่างนี้ว่าวันหนึ่งเราจะได้มานั่งศึกษาพระธรรมกันที่ผู้ใจใสเนี่ย <c oughs> นี่คือพระหมหากรุณาที่คุณแล้วเราก็ได้มานั่งศึกษากันจริงๆด้วยเนี่ยพระพุทธเจ้าเนะีวางแบบแผนเขาไวา้วางระบบจุดคบเพลิงแห่งธรรมะปลุกให้เราตื่นตื่นจากความหลับไหลตื่นจากความประมาบัวเมาเดี๋ยวเราก็เห็นค่านี้ เสมือเหมือนหนึ่งว่าเราจะอยู่อีกสามร้อยปีใช่ไหม เ, ออเดี๋ยวเราศึกษาเมื่อไหร่ก็ได้แล้วฟังทะเมื่อไหร่ก็ได้แเราเดี๋ยวก็เข้าใจนี้มดก็ประมาทอย่างเงี้ยประมาทนะเข้านะเข้าไม่ทันได้ศึกษาพอกันตายอีก อ, อ้าวรอต่อไปได้กุศลไปแล้วติดตัวแล้วเดี๋ยวชาติหน้าเดี๋ยวตามอีกตามสอนไปเรื่อยๆพุทธเจ้านะสอนไปเรื่อยบางทีก็หลุดไม่ได้เลยบางพวกก็หลุดนะมีพระธรรม ที่เป็นภาษาสดาเป็นอย่างนี้ตามสอนตามดึงพวกเราตลอดปลอบประโลมนะยามที่เราเหงาหงอยเนี่ยปลอบปรโลมให้เรามีกําลังใจอย่าท้อให้มีความเชื่อมั่นปลอบประโลมเรากนนันั้นให้มีความเชื่อมั่นในมีหลักการให้มั่นคงในพระรตะนาใจอย่าออกนอกเส้นทางนะจะเดือดร้อนบาปจะให้ผลอกุศลจะให้ผลกิเลสจะเล่นงานให้ตั้งมั่นในพระรตะนาใจ ปอบระลมยามที่เราทอ้อถอยยามที่เราประมาทมัวเมายามในหนาที่เราออกนอกลู่นอ ก, ก, นอกทางทางั้งหลายลเหล่านี้ยก็พยายามจูงพยายามชักจูงแล้วให้เหตุผลว่าจะเดินทางเนี้ยเดินไปแล้วจะเจ็บปวดในสังสารวัฏจะเจ็บปวดจะจมอยู่กับกิเลสและกองทุกข์จะผิดหวังเพราะงั้นเดือกระแสชีวิตจะวิบัติไนงะบอกตลอดเตือนตลอดเพราะงั้นเดือนี่ใครเตือนเราเราพระพุทธเจ้ามีอะลรเตืเอน เตือนผ่านคนนั้นเมื่อเตือนผ่านคนนี้สารภาพที่เราฟังทํำมั่งที่พระเจ้าเตือนเราอยู่เนี่ยเราก็ไม่เข้าใจอยู่้ีฟังไม่เคยเข้าใจเห็นไห ม, ไม เ, เ, เออตอนนี้วันนี้เข้าใจแล้วแวบหนึงเข้าใจแล้วกลับไปเดี๋ยวก็ไม่เข้าใจต่ อ, อีขนาด น, นั้ น, น, นเอาบอกม่อีกไม่ถอ่อ เอาวันนี้บอกได้แค่นี้ทำท่าหมดแต่ล้ว ห, หมดแรงฟังกันนี้แล้วเดี๋ยววันต่อไปบอกใหม่แนะ่นําใหม่บอกแล้วแล้วเราเล่าอยู่นี่แหละวันี้นี่เป็นขนาดนั้นพระเจ้าขนาดนี้เลยเข้าใจไหมเนี่ยของคนนี้พระเจ้ามีพระคุณไหมมีพระปัญญาคนมีพระบริสุทธิ์ที่คุณแล้วก็มีมห า, นานกรุณาบกอที่เรามอง เืาอ ว, ว่าเวลามองพระพักกษ์พุทธเจ้ามองมองให้ออกว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยที่มีพระเนตรมองมาที่เราเนี่ยว่าพระองค์เนี่ยหวังอะไรในตัวเราท่านใช้คําว่ามองหน้าพระพุทธเจ้าให้ออกว่าพระพุทธเจ้าหวังอะไรในตัวเราปรากฐนไหนให้เราดําเนินชีวิตยังไงมองไปมองนะมองคิดให้ออก พระเจ้าหวังมีพระประสงค์อะไรในตัวเราบางคนไม่เข้าใจนะพระพุทธเจ้ามีความมีพระประสงค์อะไรในตัวเราไนพระพุทธเจ้ามีพระประสงค์อะไรในตัวเราเออมองให้ออกอ่านให้ออกว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยมีพระประสงค์อะไรในเราลองมองหน้าท่านนะว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านบอกอย่างไง คือคือพระเจ้าเนี่ยท่านบอกว่าเขาเรียกว่าอัดตัดทันตาเนี่ยคือพระเจ้าเนี่ยทําที่พึ่งให้กับตนเองได้แล้วอยนั้นเถอแล้วพวกเธอละทําที่พึ่งให้กับตนเองได้หรือยังได้ที่พึ่งหรือยังปลอดภัยหรือยังที่จะเดินไปในสังสารวัฏโดยไม่เจ็บปวดปลอดภัยหรือยังใช่ไหมเออเราปลอดภัยหรือยัง ดูก่อนภิกษุทั้งหลายกิจอันใดที่พระศาสดาที่จะพึงกระทำแก่เธอกิจอันนั้นจน่ตถาคตได้ทำจนสมบูรณ์แบบแล้วกิจอันใดที่จะทำในฐานะเป็นศาสดาเนี่ยทำหมดแล้วไม่มีเหลือเลยไม่มีบกพร่องเลยแม้แต่เท่าเท่ากับปลายขนทรายเท่ากับเข็มไม่มีบกพร่องเลยทำบริบูรณ์ทั้งหมดแล้ว เราในฐานะที่เป็นาศาสตาที่จะพึงกระทำต่อภิกษุจะพึงกระทาต่อภิกษุณีบาสลสงฆ์หรบิกาเราทจบแล้วเธอให้ไปภาคเพียรพยายามไประดมเองไปฝึกไปศึกษาให้เกิดความรู้ความเข้าใจแล้วรีบขวนขวายในการที่จะออกจากกิเลสและกองทุกข์อย่าได้มานั่งเสียใจในภายหลังนี่คืออนุสาสนีของเราที่พร่มสอนของเธอทั้งหลายใช่ไหม อย่าได้มานั่งอย่าเป็นคมานั่งเสียใจในภายหลังประสบชาติภยัยชราภายัปยปัญญ า, าภัยวรณภัยเนี่ยเอย่ามานั่งเสียใจในภายหลังนี่คืออนุศาสนีที่พร่ำสอนแอ่เธอทั้งหลายแล้วท่านกับลบิทิภานไปยนี่พวกเราก็มานั่งกุ้มนั่งผิดหวังกันอย่างนี้เพราะเรา ไม่ต้องหัวว่าพระเจ้าพระเจ้าทำกิจของตัวเองก็มาดูที่พระองค์บอกอะไรเราใช่ไหมบอกอะไรเราบอกข้อมูลอะไรบอกหลักการอะไรบอกข้อปฏิบัติอะไรให้เราเรียนรู้เรื่องอะไรเยพระเจ้าบอกไว้หมดแต่เราไม่ไปไปไม่ต้องไปคิดเองเลยอะ่ะเนี่ยไปฟังให้เกิดความเข้าใจแค่นั้นเ้งใช่ไหมฟังให้เกิดความเข้าใจบอกรายละเอียดทั้งหมดเลยอทุกขั้นตอน อย่าไปบอกว่าิเราสติปัญญาไม่ดีท่านบอกไว้หมนเลยถ้าสติปัญญาไม่ดีให้ให้อย่างงี้ทบทวนย่างงี้ถ้าดีหน่อยอย่างงี้ถ้าดีเลย ก, ก็อย่างนี้ถึงไม่ดีนะี่ะสั่งสมอย่างนี้ทางนี้บอกทุกขั้นตอนเลยบอกไม่กระทนไม่รู้เรื่องเลยจะให้รู้เรื่องนั่นเองบอกเรียกว่าตั้งครบเพลิงปกพว ก, กเรา ที่พรเจยาเป็นแบบนี้ให้เราเห็นโ่โหพุรเจ้าในพระเสริจจริงๆทีนี้เราเราได้พบรมศาสตร์ที่ดีขนาดนี้แต่พวกเราเนี่ยที่เราก็มาลปล่อยไม่ยอมไม่ยอมไม่ยอมฟังว่าเอยท่านท่านพูดอะไรวะบอกอะไรไว้แล้วก็กลายเป็นเหมือนเหมือนลูกนกมูวนไถ่ ไม่เชื่อฟังพ่อพ่อบอกว่าหากินเนี่ยให้หากินตามซอกที่ไถอย่าโดดออกอย่าไปโดดออกนอกนะั้นมันอันตรายไอเจนโลกนี้เข้ามาก็กโดนเหยี่ยวจับเหยี่อไปกินนั้นถ้าโดดอยู่ในร่องรอยก็คืออยู่ในในในร่มของพระร า, าตรีอย่าโดดออกนะ โดดออกล้อันตรายกิเลส จ, จะเล่นงานไงบาปจะเล่นงานเนีไยให้อยู่ในร่องร้อยเนี่ยเราจะพ้นทุกข์เรจะปลอดภัยวันนั้นบอกอะไรที่เรานึกว่าเราเก่งแล้วนไงแ็บออกแอบออกตายหมดเลยในริดโดดแอบออกได้ไหมออกจากพระราชณาจารย์เรีาเนียบง่ยแล้ ว, ลวก็ไปทรมานกันนะีน่กระโดด ลูกลูกมูลไถ่ที่ไม่เชื่อแม่ไม่เชื่อพ่อก็ตายตัวไหนที่เชื่อพ่อแม่ก็ตายใครที่เชื่อพระรัตนตรยัยเดินตามพระรัตนตรยัยเดินตามอริชามิิปทาเขาก็พาตัวนี้ออกจากทุกหมดแล้วภาษาลิกุฏรพ้ทุกแล้วโมฆราณนะพ้นทุกพระโกนทัญญะว่า ป, ป่าพัธิยะมหานามา ah อัจฉริ่พ้นทุกหมดและญาติษะ สุภาหกปุณณชีความปฏิวนทุกเยอะหมดเลยฉดินตามพี่น้องพร้อมด้วยบริวารหนึ่งพันกับคนทุก ส, ะ ส, ะ ส, ะสะัตติหารีต้องภาษาลิบุตรสองพันห้าร้อยสองร้อยห้าสิบูปไปกันมันลุกเขาเป็นลูกกันหมดน่ะก็ขวนขวายกันใช่ไหมเขาขวนขวายี๋้วเราดูเราคงไม่ได้มั้งอยู่อย่างเงี้ยก็ดูถูกตัวเองตลอด คุณเจ้าอาเดียนดูถูกตัวเองจะียน ด, ดูถูกตัวเองหมายถึงดูถูกพระวิญญาด้วยเราก็ไม่เข้าใจนะว่าดูถูกพระวิญญาดก็เราเป็นมนุษย์เรายังฝึกได้เลยเธอก็เป็นมนุษย์ก็ฝึกกรรมเราสิเพียงทำอ่ะวันนี้ทําไม่ได้ก็ทำไปเรื่อยๆฝึกไปเรื่อยๆใช่ไห อ, อฟังไปเรื่อยๆฟังฟังให้ต่อเนื่องต่อเนื่องต่อเนื่องแล้วก็มาทําไปเรื่อยๆทำไมจะไม่ได้ล่ะมาที่ข้นขวายเรื่องกรรมันขยันกันเรลือเกใช่ไหมขยันมากเลยนตื่นตื่นดึกตป่นดื่น อยู่แล้วซื้อกับข้าวมาหงทำอะไรต่างๆเตรียมขนขวายเพื่อเพื่อการาำเนี่ยทากันเอาชีวิตเข้าเสี่ยงแต่ว่าจ ะ, จะเจริญกุศลเนี่ยเหยยะใหญ่ๆกั น, นขนาดนั้นเลยนะคนขวายเนี่ยก็จะเลี้ยงลูกมาจริงไหมเสี่ยงเป็นเสี่ยงตายมาทั้งนั้นเลยเนี่ยขับรถไปทำงานล้มหัวฟาดเกือบตายมาไม่รู้กี่รอบเนี่ยดูิ เดีวเราเวลาจะเจริญกุศลเราไม่กล้าขนาดนั้นเลยใช่ไห้ผมนั่งนิดหน่อยไม่เอาเหนื่อยสิเออแต่พอทัทง้ทงๆที่เป็นแนวทางที่จะทำให้ตนเองพ้นจากกองตนี่เราเรากวนเลยเป็นอย่างงี้ฉนั้นตรงนี้เราคิ ด, อ, คดอย่างนี้ปู่ในนั้นิงอยูเห็นไหมว่าถ้าเรากำลังทานกุศลจรณะธรรมเราต่ำเหนื่อยทั้งชีวิต ไอทางเพาะเมล็ดพันธุ์ของวิชาของปัญญาไม่ได้ทำไว้แล้วเดือดร้อนอย่ไหมยังเมื่อคืนที่พูดถึงว่าออตัววิชาเหมือนเหมือนดวงตาจารณะเหมือนมืออวัยวะมืมอและเทา้เาก็สิงั้นเราจะต้องเพิ่มทั้งสองส่วนเนี่ยศีลเป็นยังไงมีรีล ส, สังวรมีศรัทธาไนมีสติไงมีสมาธิยังไงพวกพวกเนี้ย ผมฝึกได้แรกอย่างหนึ่งคือปัญญาสุตตะในข้อมูลต้องชัดต้องรีบเล่งฟังเพราะตอนนี้เรายังไม่เป็นอนเลเบอร์เชื่อมั้ยรีบฟังให้เกิดความเข้าใจฝึกถึงยังไงยังไงเราก็ได้พเพาะเล็ดพัน์ของวิชาและปัญญาไว้แล้วถึงตายก็ยังไม่เสียชาติเกิดที่เราได้เพาะไว้ทั้งวิชาและจารณะตามพระบุตรเจ้าตกป้นทุกชาตินี้ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเชื่อมั้ย แต่มันอยู่ที่เราได้ฝึกเต็มที่ไม่เวลาที่เหลือเนี่ยเราได้ควนขวายเต็มที่ควนขวายเต็ ม, ตมที่ทันไห ม, ย, มย้อนเหยืทันไหมฝึกทันหรือเปล่าฝึกทันเอา่าจะคอยดูว่าทันยังไงตั้งยังไงอ้างใจว่า ดีแล้วในระหว่างที่เราอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่เขาไม่อยากพนทุกข์เลยสังเกตุนะเราไปนั่งเราไเดินเอาไปคุยดีเราอยากพนทุกข์แบบไหนบ้ น, นทุกของเขาก็คือมีบ้านไงมีรถไงมีทรับไงมีอาหารกินไงมีเงินทองใช่ไงพ้นทุกขของเขา ทกนทุกเครื่งนึกวันเย็นเขาโอเคได้ชีวิตเขาเกิดมานั่นแหละทุกของเขาคือตื่นตรง น, นั้นทุกนในการสะแบงหาอาหารกินแค่นี้แหละพลขวายแค่นั้นแล้วก็รอวันตายกันว่าตายเวลาไปไหนไม่รู้ก็คิดกันแค่นี้แหละมนุษย์ทุกวันเนี้ยดิ้นดินด้นดินกันตลอดเนี้ยที่เราไปดูที่เขาสร้างบ้านดูที่นึงลงทุนไปสิบสามล้านสองล้านสาสิบสามล้าน ก็คิดว่านั่นแหละจะทำให้ชีวิตของเขาดีขึ้นประาณนันเลยจะลองดูที่จริงๆก็ําเข้ามาจริงๆแล้ววนวายขึ้นอยู่นั่นะวนวนๆนวน ว, น ว, น ว, นวนไม่มีอะไรหรอกมันมีเงินขนาดเป็นเจ้าของกิจาการเนียเยอะๆเมันดูจรนี่คนทุกมืงนใช้ความรู้ความสามารถแสวงหาทรัพย์เก่งมาก มีตาอยู่ข้างอีกข้างหนึ่งบอดคนตาดีข้างเดียวบางคนบอดสองตาคนบอดสองตาคือว่าปัญญาหาทรัพย์ก็มีปัญญาแสวงหาความบนทุกข์ไม่ต้องพูดถึงที่บอดสองตาใช่ไหมคนบอดข้างหนึ่งก็อุมี้เดินญาติขนขว่หาทรัพย์กันงงแต่ไม่มีปัญญานขนไถ่หาวิชาเพราะเมล็ดพันธุ์แห่งปัญญาที่จะออกจากวัรทุกข์เอออย่างนี้เสียอีกได้แค่จานเดียวเอง ถ้าตายเลยเนะี่ยหาเหน็ดเหนื่อยไหมเนะ่ยบาปก็ทําบุญก็ไม่รู้เรื่องหาทรัพย์แต่ะทีก็ได้แต่บาปเป็นส่วนใหญ่เนี่ยได้ทรัพย์มาโอ้บาปกินเลยตายเลยไม่เสร็จเลยนะหายใจเข้าไว้อะ่ะหยุดหายใจแล้วเรียบร้อยเลยแค่นี้เองเน่ะชีวิตกอดทรัพย์มาบางทีเป็นนักบวชแล้วนี่แหละแต่ก็ไม่รู้ว่าทาไงไรความมืดบอดเนี่ยมันก็นึกว่าโอ้สุดยอดแล้ว มาแล้วมีคนศรัทธามีอะไรต่างๆมียอดมีรถมีรามีทรัพย์นึก่าโอเคสุดยอดแล้วก็ไม่รู้นั่นกันเน่ยท่านก็เต็มที่อีกนั่นนั้นท่านว่าโอเคแล้วบวชมาสวดมนต์กันเนี้ได้แล้วสวดมนต์เบเสร็จเทศได้อะไรได้นึกว่าโอเคแล้วสูงสุดของการบวชได้ยอดได้ตําแหน่งมีเอกราภเนี่ยโอเคแล้วถือว่านั่นแหละสูงสุดของท่านแล้วมันเต็มที่จริงๆนะไม่ว่าท่านไม่ได้นะ่ท่านก็นึกว่านี่มันสุดยอดในศาสนาแล้วที่ท่านได้มานี่ มันก็เเข้าเนโกดแปดเหลี่ยมสิบสองเหลี่ยมก็ว่ากันมันมียอดฐานดาสากุกสุดยอดของการบวชแล้วมันไม่รู้ไ อ, อความไม่รู้นี่แหละมันน่ากลัวที่สุดเลยมันไม่ใช่ว่าท่านได้ทําผิดอะไรท่านไม่รู้ท่านอยู่กับใครอยู่ตรงไหนได้ข้อมูลอย่างไรใครเป็นครูบาอาจารย์แนะนํากันอย่างไรไอตรงนั้นเนี่ยไปดูเะก็จะเห็นมันน่าการุณาเกือตรงเนี้ยชีวิตเนี่ยกรุณาตรงที่มันไม่รู้ โมหะเนี่ยมันน่าเกลียดที่สุดคือไอ้ตัวเนี้ยเอาวิชาคือความไม่รู้ไอ้ความหลงที่เราศึกษากันือตอนวันเอ า, าความหลงเนี้ยมันไม่รู้มันแยกไม่ออกว่ากุศลเป็นยังไงอกุศลเป็นยังไงรากเงาของอกุศลเป็นยังไงรากเง้าของกุศลเป็นยังไงแยกบุญแยกบาปไม่ออกแล้วก็ทําอย่างอื่นไปเลยทีนี้กร ะ, ะดุมเม็ดแรกมันผิดผิดแล้วมันใส่ผิดแล้ก็ผิดไปใหญ่เลยทีนี้เห็น ไ, ไหมลรอสเต็ปแรกมันผิดมันแยกไม่ออก มนชาวบ้านเนี่ยทั่วไปเขก็แยกไม่มออกนั่นแยกออกเป็นสักกี่คนเอาญาติญาติเราเนี่ยเลยไม่ต้องใครอื่นด้วยแยกออกกันสักกี่คนแล้วเราก็อยู่อย่างเงี้ยววนๆกันอยู่เมี้ยแต่เราก็แย่มัน้องไช่วยก็ยกั่นี่นี่นี่เชื่อเห็นมหมันตภัยมันใกล้ตัวมหมันตะไครที่น่ากลัวที่สุดคือความโง่ความไม่รู้เรื่องที่เป็นมหมันตะไครของสัตว์โลกเลยเนะ่ อวิชาคือความไม่รู้ในความมืดบอดนี่นหะความเป็นบุรุชนที่หนาแน่นโดยกิเลสตรงนี้ยังจมอยู่เงี้ยมันไม่รู้ถ้ารุ่นไม่ไม่ทํำนะมนุษย์เราเนี่ยไม่รู้ถ้าเรารู้ว่ารถที่เรากําลังขับไปเนี่ยมันจะตกเหวตายเนี่ยไม่ไปนะมนุษย์เนี่ยนี่มันไม่รู้ความไม่รู้จึงน่ากลัวที่สุดจริงไม่จริงในความไม่รู้เนี่ย พอไม่รู้มาประมาทหมดเลยที่ไม่รู้ก็คือไม่รู้ว่าเราจะลมหายใจเราจะอยู่ได้อีกกี่วันเ น, นี่ไม่รู้นี่น่ากลัวเลยเราก็รักษาสุขภาพกันดีๆนี่แหละเพราะมันมันแป๊กไปแล้วก็เห็นไอ้คนที่ตายเนี่ยไม่เคยรู้ตัวกันทุกคนเลยเนะไม่เคยรู้ตัวหรอกนอนนอนนอนไปแล้วไปกันอยู่แล้วไปวทยอยตายกันทุกวันเหมือนกันเด้อ เนี่ยไม่ใช่ทุกวันอย่างเดียวแะทุกวินาทีที่เรากําลังนั่งคุยกันอยู่เนี่ยรื่มรืมรื้มตายกันอยู่เนี่ยกาลังปั๊มหัวใจกําลังช่วยกันสารพัดเนี่ยทั้งอุบัติเหตุทั้งอะไรสารพัดเนี่ยมันรอดมาได้ดูสิเนี่ยสมชีวิตที่วิ่งกระเด้งกระเด้เ ง, งมารับยอมนำเตียงมันรอดมาได้เฉยเลยแต่หลายชีวิตตายนะนี่คือความจริงนะวิ่งไปในะอุบัติเหตุเต็มไปหมดเนะแต่นี่เรารอดได้ดูสิเนี่ย เัาก็นึกว่าเออกลับไปก็จะรอดอีกใช่ไหมเราคิดอย่างงั้นตลอดไลในชีวิตพวกเราเนี่ยเราคิดกันอย่างนี้และคนที่ตายก็คิดแบบนี้มันจะไปรอดได้ยังไงมนุษย์เนี่ยนอนอยู่มันก็ตายเดินอยู่มันก็ตายยืนอยู่ก็ตายนั่งก็ตายกินข้าวก็ตายมันตายได้ทุกียาบทและทุกที่เป็นหลุมฝังศพเราได้หมดในสังสารวัตเขาบอกว่าเนี่ยเนี่ยทีพื้นแผ่นดินที่เราเหยียบเหยียบไปเนะี่ยคือกองกระดูกของเรา ของเราสาสตว์ที่เคยตายไม่มีที่ไหนที่เราไม่เคยตายเนะ่ยงนีเราเคยเกิดขนาดนั้นเลยเนะยไม่มีที่ไหนเลยที่เราไม่เคยไปตายนะทินเราเดินเดินไปเนี่ยถ้าคนที่เราลึกชาติได้เนี่ยร้องไห้เลยว่าเดินบนกองกระดูกตัวเองนั่งบนกองกระดูกยืนบนกองกระดูกกินอาหารบนกองกระดูกตัวนี้มันเคยตายมันกลายเป็นดินไปหมดเนี่ยมันเป็นขนาดนั้นเลยนะ เราเนี่ยมาหน้านาสยดสยองตรงที่เราเรามาเนี่ยยืนเดินนั่งนอนในที่ที่เราเคยตายแต่มันจำไม่ได้โมหะมันคมุมความบอดความมืดตัวนี้นปกคมออยู่อันนี้เป็นพุทธพจน์เลยเนี่ยเราต้องโอ้เราได้ปัญญาอ่ากพระเจ้าพระเจ้าบอกตรงนี้เราจริงมานั่งรู้สึกว่าเออมันขนาดนั้น ที่เคยตายก e e ันที them, it? It future, so ่เราเหยียบเดินเดินเดินเดินเดินลุ่มฝังศพลงเหมือนกันก็เออคิดไม่ออกมล้ก็เลยถ้าคิดออกขึ้นมาไม่อยู่อย่างงี้นะใช่ั้มถ้าปัญญาหรือวิชาเกิดขึ้นมาโอ้มนุษย์เป็นคนขวายันเชพ้นทุกขงเฉยๆเขาไม่เอาแล้วแต่เพรอโมหะมันเกิดนี้นพวบมันก็เลยว่าเฉยๆไม่เป็นไรบอกเฉยๆพวกนั้นแต่ถ้าโมหะ โมหาปิดปุ๊บมันก็เลยคิดไม่ออกใช่ไหมเราไม่รู้มาจากไหนพราะกอดเนี่ยมาจากไหนมันมาสู่พนผมไม่ทราบครับมาจากสันนิชรกหรือเปล่าไม่รู้มาจากสเดชาหรือเปล่าไม่รู้มาจากเปรตหรือเปล่าไม่ทราบมาจากสุรกายหรือเปล่าที่มาเป็นมนุษย์เนี่ยไม่รู้มาจากมนุษย์ไหมเผ่าพันธุ์ไหนมาจากเทวดาไหมไม่รู้ยังไม่รู้ ถาว่าจะไปไหนต่อไม่รู้จะไปเกิดเป็นสัตว์นรกอีกหรือเปล่าสัตว์ในฉานเป็นอสุรกายมนุษย์ทเทวดาเผ่าพันธุ์ไหนไม่รู้ไม่รู้แล้วก็จะตายเมื่อไหร่กลางวันกลางคืนในบ้านนอกบ้านไม่รู้ แต่รู้แน่คือตายตายเนี่ยใช่ไห ม, ไมเป็นอย่างนี้เราอยู่กับความไม่รู้ถ้าลองรู้เกิดมาเหมือนเนี่ยถ้ามีบุญเรามีกําลังเนี่ยไอ้ปัญญาเนี่ยเหมือนที่พระเหมือนกะท้าัศากาอีกเจ็ดวันจะตายอะ่ะลองลองที่เนี่ยรู้แน่ว่าเจ็ดวันจะตายเนี่ยเลิกเลยนะเนี่ยที่จะไปค้าขายเนี่ยเลิกเลยใช่ไหมเลิกไหม ไม่ไม่เอาเลยนะบอกเจ็ดวันจะตายแล้วเนะี่ยวิ่งผ่านเลยนะเนี่ยนี่พวกรู้ที่จริงไม่รู้มันน่าจะวิ่งผ่านก็รู้เพราะไม่รู้มันตายได้ทุกวันใช่ไหมมันตายได้ทุกเวลานี่มันน่าจะมันน่าจะสะเทือนมากกว่าที่รู้เนะี่ยถ้ารู้เจดวันยังมัน ย, ย, ยังเตรียมตัวทันเนะี่ยไอเราไม่รู้เลยหมดเสร็จรู้เลยเนี่ยเรานี่พวกพวกบุญต่ําเนี่ยเรานี่บุญต่ํา ม, มากนะ เราไม่รู้หมดสิทธิ์รู้เลยนะว่าคืนนี้เราจะหลับมาแล้วจะตื่นขึ้นมาได้อีกว่าพวกนี้น่ากาาลัวจะรู้อีกเจ็ดวันมันยังมีเวลาคนขวายังแบบยังสักเท้าสักขาเจ็ดวันหูวิ่งคนขวายอเงยเลยเพราะฉะรู้ว่าเจ็ดวันนั่นจะตายแต่เราเนี่ยไม่หมดสิทิรู้เลยบุญไม่พอปัญญาไม่ถึงมันก็เลยบอกโอ้ oh, จะตายตอนไห น, น เอ๊ะอที่ส่วนกุศลแล้วเนาะสมควรเกลียร้ายยังเลยบ่นเพอ้อไปใหญ่เลยวันนี้ได้ประโยชน์ไหมอา้าวกราบพากันเดี๋ยวจะได้ไปควนควายกุศลกันตัวอาอหารสัมมาวะไป